จนถึงเที่ยงวันที่ชื่อว่าตระกูลหมายถึงตระกูลสี่ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรคำว่าเข้าไปคือไปในตระกูลนั้นที่ชื่อว่าอาสนะพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงที่สำหรับนั่งขัดสมาธิคำว่านั่งคือนั่งบนอาสนะนั้นคาว่าจากไปโดยไม่ได้บอกเจ้าของบ้านความว่า ให้บอกคนใดคนหนึ่งในตระกูลนั้นผู้รู้เดียงสาก้าพ้นชายคาต้องอบัตปาจิตตีเดินล่วงเขตบ้านในที่แจ้งต้องอบัตติจิตตี